เจลิญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่19เมษายนพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจเข้ามาวัดเพื่อมาทาหน้าที่ ดูแลรักษาจิตใจของท่านให้ร่มเย็นเป็นสุขให้เจริญก้าวหน้าให้ให้อยู่หา่างไกลจากความทุกข์จากภัยอันตรายทั้งหลายหน้าที่ของพวกเรานั้นก็มีอยู่ตรงนี้ คือดูแลจิตใจของเราแล้วก็ดูแลร่างกายของเราส่วนที่เราไม่ควรดูแลแต่เรายังดูแลกันอยู่ก็คือกิเลสของเราได้แต่ได้แก่ความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรดูแลคือไม่ควรสนับสนุนไม่ควรทําตาม เพราะจะฉุดลากให้เราไปสู่ที่ต่ำไปสู่ความทุกข์ไปสู่ความวุ่นวายใจทั้งหลายสิ่งที่เราควรดูแลอย่างยิ่งก็คือจิตใจของเราและร่างกายของเราเพราะเป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อความสุขต่อความเจริญของเรา ร่างกายเราก็ต้องดูแลเพื่อให้มีชีวิตอยู่เมื่อมีชีวิตอยู่ได้เราก็จะได้มาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อสร้างความสุขความเจริญให้กับจิตใจของเราจิตใจของเรานี้เป็นส่วนที่ไม่ตาย ส่วนที่ตายก็คือร่างกายของเราร่างกายของเราเราดูแลพอให้สมกับฐานะของเขาให้เขามีชีวิตอยู่ได้ตามอัตภาพของเขาเพื่อเขาจะได้เพื่อเราจะได้นำเอามาใช้ดูแลจิตใจของเราสร้างบุญสร้างกุศลยกระดับจิตใจของเรา ให้สูงขึ้นไปตามลำดับจากมนุษย์ให้เป็นเทพให้เป็นพระงให้เป็นพระอริยเจ้าดังนั้นงานสำคัญจริงๆของชีวิตเราก็มีอยู่สองส่วนคือดูแลร่างกายแล้วก็ดูแลจิตใจส่วนงานที่เราพยายามลดละควรควรจะตัดให้มากก็คือ งานทมนุบำรุงดูแลรักษากิเลสตัณหาของเราส่วนนี้ถ้าตัดได้มากเท่าไหร่ mm hmm. ก็จะทำให้ทุกต่างๆน้อยลงไปปัญหาต่างๆน้อยลงไปทุกวันนี้ปัญหาของพวกเรานั้นก็มีอยู่ทั้งปัญหาในการทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ต้องมี ปัญหาต่างๆตามมาซึ่งเราก็ต้องแก้ไขไปเพราะมันจำเป็นต้องทำมาหากินต้องมีปัจจัยสี่มีข้าวมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งหม่มแต่ปัญหาที่ไม่ควรจะมีก็คือปัญหาที่เกิดจากกิเลสตัณหาของเรา ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่จำเป็นจะต้องเกิดแต่เรามักจะไปสร้างมันให้เกิดขึ้นมาเพราะตัณหาคือความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีเขนั่นเองเช่นมีสามีมีภรรยาแล้วก็ยังไปหาภรรยาหาสามีมาเพิ่มอีกนี่ก็เท่ากับการหาปัญหามาโดยใช่เหตุ ถ้ามีผัวเดียวเมียเดียวสามีภรรยาเดียวอยู่ก็จะมีความสุขจะไม่มีปัญหาตามมาแต่ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามตัณหาความอยากไปหาเพิ่มมาก็จะมีปัญหาตามมาและก็เป็นปัญหาใหญ่มีไม่ดีก็อาจจะถึงกับการทำลายชีวิตของกันและกัน เพราะนี่คือเรื่องของกิเลสตัณหาเป็นอย่างนี้กิเลสตัณหาไม่ได้พาเราไปสู่ความสุขความเจริญแต่จะพาเราไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจักสิน้นดังนั้นเราจึงต้องพยายามลดละตัดการดูแลทำนุกบำรุงกิเลสตัณหา อย่าไปทําอะไรตามใจอยากอย่าทําอะไรตามความโลภตามความโกรธตามความหลงเพราะมันไม่เกิดประโยชน์มีแต่จะเกิดโทษตามมาเช่นถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับอบายามุกต่างๆเช่นสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกียจคร้าน เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีโทษกับเราไม่มีประโยชน์เลยแต่เนื่องจากความหลงจะหลอกให้เราคิดว่าทำให้เรามีความสุขทำให้เราเจริญได้เช่นเล่นการพรนันแล้วจะทำให้เรารวยได้เราจึงเสียเงินเสียทองกับการซื้อวอตเตอรี่ แทงหวยเล่นการพนันแต่ก็ไม่ค่อยได้พบกับความร่ำรวยเสียทีแต่ก็ยังไม่หายหลงก็ยังซื้ออยู่นั่นพยายามที่จะรวยให้ได้จากการเล่นการพนันนี่คือการนี่คือความหลงและการกระทาตามความหลง ก็คือเป็นการสนับสนุนความหลงให้มีมากยิ่งขึ้นวิธีที่จะกำจัดความหลงเราก็ต้องใช้ปัญญา <c oughs> ใช้เหตุใช้ผลดูซิว่าคนที่เล่นการพนานนี้รวยกันสักกี่คนแล้วจนกันสักกี่คนลอตเตอรี่หนึ่งรางวัล น, นี้มีต้อง ต้องซื้อถึงรางวัลที่หนึ่งมีหนึ่งรางวันแต่จะถูกนี้จะต้องซื้อถึงล้านใบถึงจะถูกลอตเตอรี่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งหนึ่งใบแสดงว่าคน9ก0 9 9 9นพเคนนี้จนรวยคนเดียวคือคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เรา ตัดสินใจเลิกเล่นหวยได้เลิกซื้อลอตเตอรี่ได้เอาเก็บเงินเก็บทองซื้อลอตเตอรี่นี้มาสะสมไว้เอามาทำมาหากินจะดีกว่าไม่เร็วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้เศรษฐีที่เกิดจากทางนี้มีอยู่มากมายถ้าเราไปศึกษาดูประวัติของเศรษฐีทั้งหลาย เขาก็รวยด้วยวิธีนี้ทั้งนั้นเขารวยด้วยการเก็บเงินเก็บทองแล้วก็เอาเงินที่เก็บนี้มาลงทุนมาทำมาหากินขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นให้มากขึ้นจนกลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมานี่วิธีที่จะปราบความหลงต้องปราบด้วยเหตุผล อย่าปราบด้วยความรู้สึกเพราะคนเรานี่จะรู้สึกว่าน่าจะรวยน่าจะถูกยิ่งพอถึงวันที่ออกแล้วนี่ใจมึใจสันไปหมดอยู่ไม่เป็นปกติคอยคิดคอยฝันถึงเงินรางวัลที่จะตกมาสู่มือของเราแต่พอ หลังจากที่ผลออกมาแล้วก็มีแต่ความเสียใจแต่ก็ไม่เคยจดไม่เคยจำพอถึงงวดหน้าก็เกิดอาการเช่นเดียวกันอีกเกิดความฝันเกิดความหวังว่าจะรวยอีกนี่คือปัญญา เราขอให้เราดูด้วยเหตุด้วยผลอย่ามองไปตามความรู้สึกนึกคิดถ้ามองไปตามความรู้สึกนึกคิดแล้วเราก็จะถูกความหลงฉุดลากให้เราไปสู่ความทุกข์สู่ความวุ่นวายต่างๆถ้าเราใช้เหตุใช้ผลแล้วเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข เช่นเรามีสามีแล้วมีภรรยาแล้วอย่าให้ความรู้สึกอยากจะได้เพิ่มขึ้นมาหลอกเราว่าดีมันดีก็ดีชั่วขณะที่ได้เสพได้สัมผัสใหม่ๆอะไรใหม่ๆก็รู้สึกว่ามันดีไปหมดแต่พอได้เสพได้สัมผัสไปเรื่อยๆ เ, เกิดความจำเจก็จะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมา ก็จะคันรู้สึกว่าไม่ดีนอกจากไม่ดีแล้วยังมีปัญหาตามมาอีกเพราะสามีของเราภรรยาของเราก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจและจะเกิดความโกรธ ถ, ถ้าเขาทราบว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีอาจจะทำให้เขาถึงกับฆ่าเราได้ หรือถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องเลิกลากันไปขอให้ใช้เหตุใช้ผลแล้วเราจะเห็นโทษของการกระทําตามความอยากต่างๆของการกระทําความโลภความโ ก, โกรธความหลงอย่าให้ความรู้สึกพาไปเช่นเวลาเราอยากจะได้อะไรขอให้เราใช้เหตุใช้ผล ดูว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันจำเป็นไหมถ้าไม่มีไม่ได้มาแล้วเราจะตายหรือไม่ถ้าเราไม่ตายมันก็แสดงว่ามันไม่จำเป็นถ้ามันตายเราก็ถือว่าจาเป็นเช่นลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจร่างกายก็อยู่ไม่ได้ อย่างนี้เราก็เรียกว่ามีความจำเป็นแต่ถ้าเราอยากจะซื้อเสื้อผ้าใหม่สักชุดรองเท้าใหม่สักคู่สักคู่หนึ่งทั้งๆ ท, ที่เสื้อผ้าเราก็มีอยู่เต็มตู้รองเท้าเราก็มีอยู่เต็มตู้ถ้าอย่างนี้ถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าชุดใหม่หรือรองเท้าคู่ใหม่เราก็ไม่ตายเราก็ไม่เดือดร้อนอะไร ไม่เกิดความเสียหายอะไรตามมาอย่างนี้ก็ถือว่าไม่จำเป็นเราก็ไม่ควรที่จะเสียเงินเสียทองเพราะเงินทองนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ตกลงมาจากฟ้าและเป็นสิ่งที่เราต้องมีไว้จุนเจือดูแลอัตภาพร่างกายของเราถ้าเราไม่รู้จักเก็บไว้รักษาไว้ เผื่อไว้ในวันข้างหน้าที่เราไม่สามารถหารายได้เช่นเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการไปเราก็จะได้อาศัยเงินที่เราเก็บไว้นี้เงินที่แทนที่เราจะเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆเราก็เอาเงินนี้เก็บไว้ เพื่อจะได้เอามาใช้ในวันที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่เดือดร้อนสิ่งที่เราควรดูแลมากๆก็คือจิตใจของเรานอกจากร่างกายของเราแล้วร่างกายของเราก็ดูแลพอประมาณไม่จงเป็นจะต้องให้เลิศเลออย่างไรอาหารการกินก็กินแบบมนุษย์ธรรมดา ไม่จำเป็นจะต้องกินแบบเทวดากินอาหารมื้อละหมื่นมื้อละแสนอย่างนี้ไม่จำเป็นกินแบบคนธรรมดากินเสื้อผ้าก็ใส่แบบคนธรรมดาใส่บ้านก็แบบคนธรรมดาอยู่ยารักษาโรคก็แบบคนธรรมดารักษากันก็พอแล้วร่า ง, งกายมันไม่ได้วิเศษขึ้นจากการ บำรุงดูแลแบบเทวดามันก็เป็นร่างกายอย่างเดียวกันมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างไรการดูแลแบบเทวดานี้เป็นการดูแลตามอำนาจของความหลงของกิเลสตัณหานั่นเองเช่นเสื้อผ้าต้องมีราคาแพงๆชุดละหมื่นชุดละแสน กระเป๋านี่ต้องใบละแสนขึ้นไปถึงจะมีประโยชน์ถ้าเป็นใบละพันใบละร้อยแล้วรู้สึกว่าไม่ไม่เป็นประโยชน์นี่เป็นความรู้สึกของความหลงอย่าปล่อยให้มันฉุดลากพาเราไปเพราะเราจะทำให้เราต้องไปหาเงินหาทองมาบารุมบาเลอความหลงนี้อย่างไม่รู้จักจบจากสิ้น และจะพาให้เราไปสู่การผิดศีลผิดธรรมเพราะเวลาที่เราต้องการหาเงินมากๆเราจะไม่คำนึงถึงเรื่องศีลและธรรมถ้าจะต้องพูดโกหกก็ก็ยินดีถ้าจะต้องขายของด้วยราคาแพงๆไร้เมตตากรุณาก็จะขาย ถ้าโกงราคาได้มากเท่าไหร่ก็จะโกงอย่างนี้เพราะว่าต้องการเงินทองมาเลี้ยงดูกิเลสตัณหานั่นเองถ้าต้องการเงินทองมาเลี้ยงดูร่างกายแล้วจะไม่ต้องใช้เงินทองมากอย่างพระนี้ชั้นมือเดียวก็อยู่ได้แล้วอาหารอะไรก็ได้ พอกินแล้วให้ท้องมันอิ่มก็ใช้ได้มื้อหนึ่งนี้ถ้าเป็นคาราวาสักห้าสิบบาทก็คงจะพอพอกินแล้วไม่จำเป็นจะต้องหมดเป็นร้อยๆไปนั่งตามร้านอาหารต่างๆเพราะนั่นเป็นการเลี้ยงดูตามอำนาจของกิเลสตัณหาตามอำนาจของความหลง ความโง่เขลาเบาปัญญานั่นเองถ้าเราเลี้ยงแบบง่ายๆที่เรียกว่ามักน้อยสันโดษชีวิตของเราจะไม่ต้องถูกกดดันต่อการไปหาเงินหาทองโดยวิธีที่ไม่ชอบผิดศีลผิดธรรมเราจะสามารถดำรงการท ร, รมาหากินด้วยสามมาอาชีพได้ไม่ต้องทาบาปทำกรรม นี่คือการดูแลร่างกายของเราแล้วจะทำให้เรามีเวลาเหลือมีเงินเหลือพอที่จะมาดูแลรักษาใจของเราต่อไปใจของเรานี่สาคัญกว่าร่างกายหลายแสนเท่าหลายล้านเท่าเพราะใจของเรานี่แหละเป็นผู้ที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิด ในพบน้อยพบใหญ่ตามบุญตามกรรมที่ได้ทําไว้แต่ถ้าเราพยายามทําแต่บุญอย่างเดียวไม่ช้าก็เร็วใจของเราก็จะไปสู่จุดที่ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่เราจะได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ที่ได้เดินไปถึงก่อนแล้วเราจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอย่างปรมังสุขขังคือมีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เลยไปตลอดอนันตการไม่เหมือนกับความสุขของพวกเราที่สัมผัสกันอยู่ทุกวันนี้เป็นความสุขที่เหมือนกับควันไฟซึ่งสัมผัสไม่นานมันก็จะหายไป แล้วก็มีความทุกข์เข้ามาแทนที่แล้วก็ต้องพยายามหนีความทุกข์ด้วยการไปหาความสุขใหม่หาแบบนี้หาเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นความทุกข์เพราะความทุกข์มันจะเป็นคู่กับความสุขที่เราหานั่นเองเป็นของคู่กันในโลกนี้มีสุขก็มีทุกข์เป็นธรรมดา เราจึงไม่ควรแสวงหาความสุขทางโลกความสุขทางโลกียะทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่ากามาสุขการมาสุขนี้เป็นความสุขที่ปนปะปนไปด้วยความทุกข์ความวุ่นวายใจดังที่พวกเราเป็นอยู่กันทุกวันนี้เรามีความทุกข์ความวุ่นวายใจอยู่เรื่อยๆและจะไม่หมดไป ถ้าตราบใดเรายัางแสวงหาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะออยู่ยังแสวงหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอยู่เพราะความสุขแบบนี้มันไม่จีรังถาวรและมันมีความทุกข์เป็นเงาตามตัวมานั่นเองเช่นวันนี้ถ้าเราไปออกไปเที่ยวเราก็จะมีความสุข พอเรากลับมาถึงบ้านเราก็มีความเหงาอยากจะออกไปอีกอยู่บ้านไม่ติดอยู่บ้านแล้วรู้สึก ว, ว้าเหวเบื่อหน่ายต้องออกไปหาความสุขข้างนอกนี่คือความสุขที่พวกเราหากันแล้วก็มีความทุกข์แถมมาให้ด้วยตลอดเวลาเราไม่รู้เลยว่า ถ้าเราไม่หาความสุขแบบนี้เราจะสามารถอยู่บ้านเฉยๆได้อย่างมีความสุขไม่ว้าเหวไม่เบื่อหน่ายถ้าเรารู้จักวิธีวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องทำอะไรก็คือการดูแลรักษาใจหรือทํานุบำรุงใจของเราด้วยบุญด้วยกุศลนั่นเอง คือด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลและด้วยการภาวนาทำจิตใจให้สงบและเจริญปัญญาให้เห็นความไม่เที่ยงของสภาพของสิ่งต่างๆให้เห็นว่าสิ่งต่างๆล้วนมีแต่ความทุกข์ซ่อนเล้นอยู่ให้รู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริง ถ้าเราจเจริญปัญญาและทำจิตใจให้สงบให้เป็นสมาธิแล้วใจของเราจะสามารถอยู่อย่างนุ่มเย็นเป็นสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาบำรุงบำเรออยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่หิวไม่อยากกับอะไรไม่ต้องเดิม น้ำหวานน้ำที่มีรสมีมีสีสันต่างๆไม่ต้องรับประทานขนมนมเนยต่างๆรับประทานอาหารพอเพียงต่อร่างกายแล้วก็จบไม่จำเป็นจะต้องรับประทานเพื่อกิเลสตัณหาอีกถ้าเรารับประทานเพื่อรถเพื่อชาติเพื่อความสุขแสดงว่าเรากำลังรับประทานเพื่อกิเลสตัณหา เรารับประทานเพื่อร่างกายเราก็รับประทานเหมือนกับเรารับประทานยาเวลาเรารับประทานยาเราก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีรสชาติอย่างไรไม่สําคัญเรารู้ว่ายานี้มีคุณมีประโยชน์ถึงแม้จะขมถึงแม้จะยากต่อการรับประทานเราก็รับประทาน เพื่อจะได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บนี่คือการรับประทานอาหารเพื่อดูแลรักษาร่างกายรับรับประทานเหมือนกั บ, ก, บการรับประทานยาไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องถูกลดถูกปากถูกคอถูกใจมีอะไรก็กินมันเข้าไปพอให้มันอิ่มท้องก็ใช้ได้แล้วก็ให้รู้จักประมาณ เหมือนกับกินยาหมอให้กินครั้งละเม็ดก็กินครั้งละเม็ดไม่ใช่กินครั้งละสามสี่เม็ดตามใจอยากเหมือนกับการรับประทานอาหารกินข้าวสองจานก็น่าจะอิ่มแล้วไม่ควรจะไกินต้องสามจานสี่จานไม่ควรจะกินต้ ง, 3, 4, วนนงวันละสี่ห้ามือ้อกินวันละมื้อก็พอนี่คือการดูแลรักษาร่างกายที่ถูกต้อง โดยไม่ได้ให้มีโทษตามมานั่นเองถ้าเราดูแลร่างกายตามอำนาจของความอยากของเรามันก็จะมีโทษตามมาเช่นกินอาหารเกินความจำเป็นก็จะทำให้มีน้ำหนักเกินทำให้รูปร่างไม่สวยงามเป็นเหมือนตุ่มน้ำไปไหนก็ไม่มีใครเขาอยากจะ อยากจะเข้าใกล้อยากจะชื่นชมยินดีด้วย <Yeah. S 1> แต่เพราะอำนาจของความโลภความอยากมันฉุดลากให้ทำให้เรากินเกินความจำเป็นไปโทษจึงเกิดตามมา <Yeah. S 1> นอกจากรูปร่างไม่สวยงามแล้วยังมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาอีกนี่คือ <Yeah. S 1> การกระทำ ที่ปราศจากปัญญาจะเป็นอย่างนี้ทั้งๆ ท, ที่เป็นเรื่องจำเป็นคือการรับประทานอาหารแต่ก็ยังทําผิดแทนที่จะทําให้ถูกก็ทําให้กลายเป็นเรื่องของกิเลส ข, ขึ้นมาได้ถ้าไม่ใช่เหตุใช้ผลใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาแล้วก็จะรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารรู้จักว่าร่างกายต้องการเท่าไหร่ กินให้กินตามความต้องการของร่างกายไม่ได้กินตามความต้องการของกิเลสตัณหาความอยากจึงขอให้พวกเราจงแยกแยะให้ถูกว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เราควรดูแลสิ่งไหนเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตจิตใจของเราสิ่งไหนที่เป็นโทษกับชีวิตจิตใจของเราเราก็ไม่ควรดูแล คือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจของเราเราไม่อยากไปดูแลรักษามันเราต้องพยายามทำลายมันต้องพยายามตัดมันต้องลดต้องละต้องเลิกให้ได้ส่วนที่ต้องดูแลก็มีอยู่สองส่วนคือดูแลร่างกายก็ต้องดูแลด้วยเหตุด้วยผลอย่าดูแลแบบเลยเถิด ทำให้กลายเป็นกิเลสตัณหาไปทำให้เกิดโทษตามาและส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะต้องดูแลให้มากก็คือดูแลจิตใจของเราด้วยบุญด้วยกุศลด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาสิ่งด้วยการภาวนาเพราะการดูแลชนิดนี้จะสร้างความสุขและความเจริญ ให้กับจิตใจของเรามีคุณค่ายอย่างยิ่งดังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ดูแลกันมาจนปรากฏเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้พวกเราได้กราบไหว้บูชาได้เป็นสลาณะเป็นที่พึ่งถ้าเราอยากจะให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสลาณะ เป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงเราก็ต้องปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการกล่าวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะนั้นก็จะเป็นเพียงลมลมปากเปล่าๆไม่มีสาระไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดการกล่าวนี้เป็นการเตือนสติเป็นการสอนตน ให้บำเพ็ญตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะไม่ได้กล่าวไปแบบลอยลอยเหมือนกับนกแก้วที่ว่าแก้วจา๋าแก้วจา๋าแต่พอหยิบแก้วให้ก็สายหน้าหนีขอมันแก้วขอพริกขอผักแทนพวกที่กล่าวคำว่าพุทธัทงธรรมังสระนังสังคังสรณนังกระฉามิแต่ไม่เคยสนใจที่จะประพฤติปฏิบัติ ตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยก็เป็นเหมือนกับนกแก้วนี่ ด, ดีนี่เองให้ของดีกับสายหน้านี้อย่าขอเล่นหวยไปก่อนขอกินเหล้าไปก่อนขอเที่ยวไปก่อนไว้เวลาแก่แล้วค่อยเข้าวัดอย่าคิดอย่างนี้เพราะอาจจะไม่อยู่ถึงแก่ก็ได้อาจจะตายก่อนเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ จึงไม่ควรประมาทควรรีบน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาเป็นสาารณะเป็นที่พึ่งด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ขอให้ทำกันให้มากขึ้นแทนที่จะมาอาทิตย์ละวันก็เพิ่มเป็นอาทิตย์ละสองวันสามวันสี่วันดังบางท่าน จะมาทั้งอาทิตย์เลยมาทุกๆวันเพราะเห็นคุณค่าของการบำเพ็ญขอตามพระธรมธรมพระพุทธพระธรมธรมประสงค์นี่เองถ้าได้บำเพ็ญอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่ห่างไกลจากมรรคผลนิพพานจึงขอฝากเรื่องของการดูแลรักษาจิตใจที่สำคัญอย่างยิ่งนี้